ก็ความในคคควิสานสูตรคถาที่ยี่สิบเจ็ดได้ยินว่าในกรุงพาราณสีมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าปาทะโลละพรหมทัตนะนะเท้าเธอในทรงเสวยยาคูหรือพระพระกยาหารแต่เช้าตรูชมนักฟ้อนสามประเภทในปราสาททั้งสาม คำว่านักฟ้อนสามประเภทได้แก่นักฟ้อนที่มาจากพระราชาในอดีตกลุ่มหนึ่งชุดที่หนึ่งะชุดที่สองก็คือพวกนักฟ้อนที่มาจากพระราชาองค์ถัดมากับชุดนักฟ้อนที่ตั้งขึ้นในรัชการของพระองค์แสดงว่ามีนักฟ้อนรุ่นปู่รุ่นพระเจ้าปู่รุ่นพระเจ้าพ่อแล้วก็นักฟ้อนรุ่นตัวเองก็าฟังนักฟอดูนักฟอนสามกลุ่มนนะก็ ดูแล้วจะงไรสังเวชพิลึกเลยนะวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปสู่ปราศาสตของนักฟ้อนรุ่นสาวแต่เช้าตรูสตรีนักฟ้อนทั้งหลายก็คิดว่าเราจักให้พระราชานี่รื่นเริงจึงประกอบการฟ้อนรำขับร้องการประโคมอันน่าจับใจอย่างยิ่งดุดพวกนางอับสอนของเท้าสักกะจอมเทพฉะนั้นเรียกว่าไร้าราสุดวิชาความรู้ความสามารถเลยแหละ พระราชาก็ไม่ทรงพอพระราชาหรือไทยว่าการฟ้อนรําของนักฟ้อนรุ่นสาวทั้งหลายนั้นไม่อัศจรรย์ก็ดูดูไปว่าเห็นสนุกตรงไหนเลยก็เสด็จไปสู่ปราศาสตร์ของนักฟ้อนรุ่นกลางรุ่นกลางก็น่าจะรุ่นพระเจ้าพ่อไนะสตรีนักฟ้อนแมเหล่านั้นก็กระทําอย่างนั้นเหมือนกันพระองค์ก็ไม่ทบไม่พอพระราชชาหรือไทย ในสตรีนักฟ้อนรุ่นกลางแม่นั้นเหมือนกันก็เสด็จเข้าไปสู่ปราสาทของนักฟ้อนรุ่นใหญ่สตรีนักฟ้อนแม่เหล่านั้นก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันพระราชาเห็นการฟ้อนราเป็นเช่นกับการเล่นของกระดูกนะเพราะเอาเหมือ น, นว่าเอาคุณย่ามาราให้ดูอะจะเป็นยังไงนะเนาะกระดูกไล่รำหย่างนั้นเพราะสตรีเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนแก่ล่วงมาสองสามรัชกาลแล้ว่าคุณย่าคุณยายนะนะั่นแหละ โปรงในทรงฟังเสียงขับร้องก็ไม่ไพเราะเนี่ยนะโอ้โไม่ไหวเลยนะดูคุณยายรำนี่ไม่สนุกเลยก็เลยกลับไปหานักฟอนรุ่นสาวปราสาทของนักฟอนรุ่นกลางก็เดินไปเดินมาอยู่นั่นน่ก็ไม่พอพระหฤทัยในที่แห่งไหนเลยเนี่ยนะก็วันหนึ่งดูสามวงเ่ยนะแต่ละวงก็ไม่ถูกใจซากวงเลยพระราชาก็เลยคิดว่าสตรีเหล่านั้น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 ผลหลังจากที่บรรุแล้วก็กล่าวว่าบัณฑิตทราบว่าความเกี่ยวข้องในเวลาบริโภคเบญจากามคุณนี้มีความสุขเล็กน้อยสุขน้อยก็คือสุขเล็กน้อยมีความยินดีน่าพอใจน้อยมีแต่ทุก์เนี่ยมากเหมือนกับหัวฝีอย่างนี้แล้วพอมีความรู้ก็เที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรกฉะนั้น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 หรือโดยเนื่องด้วยกามาวจรธรรมเพราะเพราะว่ามันเป็นกามาวจรมันเป็นปริตะสุขเหล่านี้ก็เป็นปริตะเป็นกามาวจรยังไงมันก็ไม่ถึงรูปาวจรไม่ถึงอรูปาวจรแล้วก็ไม่ได้เลยไปถึงโล ก, กุตรธรรมอะไรท่้นการความสุขเหล่านี้ก็เป็นของที่นิดหน่อยชั่วคราวเหมือนความสุขในการชมดูการฟ้อนรำในที่แสงฟ้าแลบที่แลบให้ชมซะหน่อยหนึ่งแล้วก็หายไปฉะนนั้นแต่อย่าลืมว่าท่านมองในฐานะอะไรมอง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 นิดเดียวเองถ้ามองในอรูปประพรมด้วยแล้วแหมท่านบอกว่าท่านกระพริบตายยังไม่เสร็จอะไรพวกนั้นตายเกิดไม่รู้กี่รอบแล้วเหมือนกันคือมันมันเรฮูขนาดนั้นมันจึงนิดหน่อยเหมือนการดูการฟ้อนรําในที่ ท, ที่ฟ้าแลบแต่ว่าโทษของตามเนี่ยนะมันมากท่านบอกว่ามีความยินดีน้อยเหมือนกับหยดน้ําแต่ความทุกข์นี่สิเหมือนน้าทะเลเหมือนนทุกเท่าทะเลสุขเท่ากับหยดน้ําหน่อยเดียว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 จมทีอย่างเช่นเรือสงครามใหญ่ๆเนี่ยนะถูกจมทีง8ปดพันเงินนะตายเกือบเกลี้ยงเนยนะแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยนะเรือพวกเรือเรือเครื่องบินเ่ยนะเรือเรือสำเภาพ่อค้าทั้งหลายหรือว่าพวกหาประมงปูปลาเป็นต้นเนี่ยที่ไปตายในทะเลนี่ไม่ใช่น้อยมันทุกจริงๆนะแล้วก็บนบกนี่ก็ไม่ใช่ว่าสัรพะสัตทั้งหลายเนี่ยตายเล็กตายน้อยเลยโดยที่แท้ตายมากเหลือเกินอันแต่สิ่งเหล่านั้นที่เขาหาเจียนตายหรือว่าหาจนตายเนี่ยนะ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 ถูกพรานเบ็ดฉุดไปฉันใดผู้ที่พอใจในวัตถุ ก, การมทั้งหลายหลงเพลิดเพลินในวัตถุ ก, การมทั้งหลายฉุดไปหาชราและมรณะไม่ใช่ชาติเดียวไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วกระดูกทับถมแปลว่าเพิ่มปัตตพีที่เป็นปา่าช <herself> ้าเน่ยนะก็แปลว่าไปเพิ่มปุ๋ยให้ป่าช้าไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติ <S <S พระส <ester> า, า, ารีบุตรอธิบายว่าการรมนี้เป็นเครื่องข้องเครื่องข้องเนี่ย บางทีอาจจะแปลว่าเบ็ดก็ได้กามนี่เป็นเช่นกับเบ็ดกามนี่เป็นเหยื่อเป็นเครื่องคล้องเป็นของผัวพันเพราะฉะนั้นคําว่าเบ็ดเหยื่อสิ่งที่เกี่ยวข้องสิ่งที่ผูกพันทั้งหลายก็คือรูปเสียงเปลี่ยนรสโผฏภะ ท, ทั้งหลายนั่นเองกามเหล่านี้มีความสุขน้อยไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สุขมันมีความสุขอยู่แต่ว่าความสุขไม่มากอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายกา ม, มาคุณห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไหน รูปที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่ภาใจให้กำหนัดเสียงที่จะพึงรู้ด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นกายที่พึงรับโตพตาภะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจยั่วยวนชวนให้รักชักให้ใคร่ภาใจให้กำหนัดดูก่อนพิสูจทั้งหลายการ ม, มาคุณหประการนี้แหละดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย สุขโสมนัสอันใดาอาศัยเบญจา ก, การมคุณห้าประการเหล่านี้สุขโสมนัสเหล่านี้เราเรียกว่ากามสุขเป็นความสุขที่ได้จากโลกนี้เนี่ยนะเช่น <c oughs> เดินทางไกลๆและไปเจออาหารอ ร, ออร่อยๆที่ตัวเองพอใจก็บอ่โอ้เอร็ดอร่อยเลิศเกินเนี่ยนะแต่ความทุกข์ก่อนหน้านั้นและทุกข์หลังจากนั้นที่เป็นไปเนี่ยจะขนาดไหน <c oughs>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 คำว่าการนี้มีความยินดีน้อยเนี่ยนะ <c oughs> ยินดีนี่มาจากคําว่าอาศาัศธามีอาศาัศธาคือน่าเพลิดเพลินไม่มากนะักแต่ว่ามีทุกมากอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีความยินดีน้อยมีทุกขมากมีความคับแค้นมากมันอึดอัดมากอนะก็มีโทษมากในการมทั้งหลาย <c oughs>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 การทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าเหมือนกับชิ้นเนื้อเพราะมันแย่งกัน น, นะหน้าปราถนาเท่าใดก็แย่งกันมากเท่านั้นถ้าหน้าปรารถนามากก็เยอะแย่งกันมากถ้าหน้าปราถนาน้อยก็ไม่มีใครสนใจเนี่ยนะเรียกว่าการเหมือนกับชิ้นเนื้อมีเรื่องเล่าว่ามีนกตัวหนึ่งไปขโมยก้อนเนื้อมาในมาก้อนหนึ่งนกที่เหลือก็มองเห็นมาเอามั่งเอามั่งก็เลยไปขอแบ่งมั่งสิบอกไม่ยอมถึงอุตสาห์ไปคาบมา อาไม่ยอมเลยนกก็บินตีกันเลยนะตีกันกลางอากาศเสร็จแล้วก็ไอตัวก็ปล่อยคายอ่ะไปไอตัวนึงก็รีบพุกออไปสรุปว่าตัวไหนข้าวไว้นะตัวนั้นสับักสบมหมดเรียกว่ากามเหมือนกับชิ้นเนื้อ <c oughs> <c oughs> หรืออีกในหนึ่ง น, นะคำว่ากามเหมือนกับชิ้นเนื้อเนะนี่ยบางทีก็หมายถึงว่าเหมือนกับ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 กามทั้งหลายพระองค์ตรัส ว, ว่าเหมือนกับดาบเพราะอาจแว่าเชื้อดเฉือนเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อเหมือนหอกเหมือนเหลาเหมือนหัวงูเหา่ามีทุกขมากมีความคับแค้นมากมีโทษมากพันพระสรุปว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีความทุกขมากกว่ากามทั้งหลายเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเบ็ดเป็นเยือ่อเป็นความคล่องเป็นชื่อของเบญจกามคุณที่เรียกว่าเหมือนกับฝีเนี่ยนะ ผู้มีปัญญารู้ว่ากามนี่เป็นเช่นกับฝีคือผู้มีปัญญาเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลสรู้เทียบเคียงพิจารณาทําให้แจ่มแจ้งปรากฏว่ากามนี่เหมือนฝีเหมือนเบ็ดเป็นเหยื่อเป็นความคล่องเป็นความกังวลรู้อย่างนี้แล้วก็เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนกับนอแรดเนี่ยนะ ก็ดูละครจนได้ดีเลยนะส่วนพระประเจกองค์ต่อไปเนี่ยนะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าแนละ้วดูท่าละ